หือความสำรวมทางกายความตั้งใจและปัญญาที่ได้จากอาการทั้งสองนั้นมาประกอบกระทำการงานต่างๆต้องมีอาการทั้งสามนี้อยู่ด้วยกันทั้งนั้น จึงจะสำเร็จเป็นการงานทุกอย่างแต่ว่าในการประกอบกระทำอาการทั้งสามอย่างดังที่กล่าวนี้ย่อมเป็นไปได้ทั้งในทางดีทั้งในทางชั่ว จะทำความดีก็จะต้องมีความสัมรวมทางกายเพื่อที่จะทำมีความตั้งใจที่จะทำมีปัญญาที่จะทำจะทำความชั่วก็เช่นเดียวกันต้องมีความสัมรวมทางกายที่จะทำชั่วตั้งใจที่จะทำชั่วมีปัญญาที่จะทำชั่ว เพราะฉะนั้นอาการทั้งสามนี้เมื่อวาดถึงตัวอาการทั้งสามนี้จริงๆต้องเป็นของกลางๆแต่ว่าใช้ไปได้ทั้งในทางดีทั้งในทางชั่วเหมือนอย่างมือทั้งสองของทุกๆคนที่มีอยู่ก็เป็นของกลางๆ มือไม่ดีไม่ชั่วอะไรเป็นของกลางๆแต่ว่าจะใช้มือทาความชั่วเช่นไปชกต่อยใครต่อใครทำร้ายใครต่อใครก็เป็นการทาชั่วแต่จะใช้มือทาดีเช่นใช้มือทาการทางานที่เป็นประโยชน์ทาบุญทากุศล ต, ต่างๆ ก็เป็นการใช้ทำความดีตัวมือเองนั่นไม่ใช่ดีไม่ใช่ชั่วแต่ว่าตัวบุคคลนั่นแหละเมื่อใช้มือทำดีก็เป็นการทำดีใช้มือทำชั่วก็เป็นการทำชั่วเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอน ให้ใช้สิ่งที่มีอยู่เป็นธรรมชาติธรรมดาคือเป็นสิ่งที่คนเรามีอยู่แล้วและก็กระทำมันอยู่แล้วนี่แหละให้กระทำความดีละความชั่วและให้เพิ่มพลัง ของการกระทำโดยเพิ่มพลังของอาการที่มีอยู่เป็นธรรมชาติเป็นวาดนี่แหละให้มีพลังในการที่จ ะ, ะที่จะละความชั่วที่จะกระทำความดีให้มากขึ้นยังได้ทรงบัญญัติ ข้อปฏิบัติอันเรียกว่าเป็นศีลข้อปฏิบัติอันเรียกว่าเป็นสมาธิข้อปฏิบัติอันเรียกว่าปัญญาให้เป็นข้อที่เรียกว่าเป็นศิกขาหรือศึกษา คือให้ศึกษาให้รู้จักและฝึกปฏิบัติให้เป็นขึ้นให้มีขึ้นให้เป็นศีลขึ้นให้เป็นสมาธิขึ้นให้เป็นปัญญาขึ้นฝึกหัดกายวาจาใจนี่เองให้เว้นจาก บาปอกุศลทุจริตทั้งหลายทางกายทางวาจาทางใจโดยที่งดเว้นใจของตัวเองให้ได้จากความโลภความโกรธความหลงจากตัณหาความดินดนทยานอยากอันจะดึงไป ให้ประพฤติทางกายประพฤติทางวาจาประพฤติทางใจเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นทุจริตต่างๆดังนี้เป็นศีลให้ฝึกปฏิบัติ จ, จิตใจนี้ให้สงบจากอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของกิเลสทั้งหลาย ให้มีอารมณ์เป็นอันเดียวในทางที่ดีที่ชอบให้จิตตั้งมั่นอยู่เป็นอารมณ์อันเดียวอันเป็นอารมณ์ที่ดีที่ชอบนั้นอันจะทำจิตใจให้สงบจากการจากกุศลธรรมทั้งหลายเป็นสมาธิและให้ฝึก ตัวความรู้ที่เป็นสชาดิปัญญาปัญญาโดยชาติกำเนิดและที่สั่งสมเพิ่มเติมมานี่ให้เป็นความรู้ที่เข้าถึงสัจจะที่เป็นตัวความจริงในตนเองให้รู้จัก นามรูปหรือขันธ์ห้าโดยเป็นไตรลักษณิจนนจะไม่เที่ยงทุกขะเป็นทุกข์งแปลปรนเปรนแปลอานันตาไม่ได้อัตตาตูตนเพื่อละความยึดมั่นถือมั่นในตัวเราของเราอันเป็นปัญญาที่กำจัด หรือที่ดับกิเลสและกองทุกข์ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูดและตั้งใจทำการอบสึกต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต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 การอบรมกิจและโดยตรงตรัสสอนให้ปฏิบัติอบรมกิจนี้แหละ เป็นหลักสำคัญแม้ว่าจะได้จัดธรรมะโดยปริยายคือทางเป็นอันมากแต่ก็รวมอยู่ที่กิตนี้เอง การถึงสรณะคือพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งก็ต้องถึงให้ถึงจิตใจจิตใจต้องถึงจะปฏิบัติในศีล ก็ต้องให้ถึงจิตใจในสมาธินั่นจัดเป็นกิจสิกษาอบรมจิตโดยตรงปัญญาก็ต้อง อบรมที่จิตใจนี้เองให้ทาดรู้ของจิตใจเกิดปัญญาคือความรู้อันถูกต้องการปฏิบัติแม้ในเบื้องตน้น ก็ต้องให้ถึงจิตใจดังกล่าวได้แสดงสณะและศีลมาตามสมควรจึงจะได้จับในขั้นสติขั้นสมาธิ และปัญญาสืบต่อไปด้วยอาศัยพระพุทธภาษิตที่ตรัสตอบแก่ภิกษุรูปหนึ่งภิกษุรูปนั้น ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลถามข้อที่พึงปฏิบัติโดยย่อเพื่อว่าจะได้ออกไปปฏิบัติอยู่ผู้เดียว พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนซึ่งมีความโดยย่อว่าให้ปฏิบัติทาเบื้องต้น ในกุศลธรรมทั้งหลายให้บริสุทธิ์อะไรเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายก็ตรัสว่าศีลที่บริสุทธิ์ดีแล้ว และทิฏฐิคือความเห็นที่ตรงสองข้อนี้เป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายแล้วตรัดต่อไปว่า อาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลพึงปฏิบัติสติปัฏฐานทั้งสี่โดยอาการทั้งสาม คือตั้งสติกำหนดดูกายกำหนดดูเวทนากำหนดดูจิตกำหนดดูธรรมในภายใน ในภายนอกทั้งภายในและภายนอกดังนี้ภิกษุรูปนั้นได้ฟังพระพุทธโอวาทแล้ว ก็ได้เลีกขอมไปปฏิบัติอยู่ผู้เดียวตามพระพุทธโอวาสก็ได้บรรลุถึงธรรมะสูงสุดในพุทธศาสนา คือเป็นพระอระหันต์รูปหนึ่งในพระพุทธศาสนาดังนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธโอวาทที่ัสสอนไว้โดยยอดนี้จึงถือเป็นหลักปฏิบัติ ของผู้ปฏิบัติธรรมะทั้งหลายได้ข้อแรกก็คือปฏิบัติเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลาย หรือในกุศลธรรมทั้งหลายให้บริสุทธิ์คือปฏิบัติศีลให้บริสุทธิ์ดีและทำความเห็นให้ตรงการปฏิบัติศีลให้บริสุทธิ์ดีนะั้น ก็ต้องรักษาศีลให้ถึงใจไม่ให้ใจคิดลวงละเมิดแม้ว่าจะไม่ทำทางกายทางวาจา การไม่ละเมิดศีลทางกายทางวาจานั้นศีลก็ไม่ขาดแต่ว่าถ้าใจยังละเมิดอยู่ศีลก็ไม่บริสุทธิ์ดีแม้จะไม่ขาดก็ไม่บริสุทธิ์ดี เพราะฉะนั้นจึงต้องรักษาจิตใจนี้ไม่คิดละเมิดด้วยทำจิตใจให้สงบเป็นปกติเป็นจิตใจอันประกอบด้วยความสำรวม โดยมีสติสำรวมระวังอยู่เสมอดังนี้ศีลรจึงจะบริสุทธิ์ดีและข้อสองคือทำความเห็นให้ตรง คือให้ถูกตรงต่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าต่อครองธรรม ให้ทำความเห็นนอกทางแห่งคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านอกครองธรรมข้อนี้ เป็นข้อสำคัญคู่กันไปกับทำรรศีลให้บริสุทธิ์ดีและทั้งสองข้อนี้เองที่ตรัสว่าเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายหรือในกุศลธรรมทั้งหลายถ้าหากว่า ไม่มีสองข้อที่เป็นเบื้องต้นนี้ท่ามกลางและที่สุดของกุศลธรรมทั้งหลายหรือในกุศลธรรมทั้งหลายก็มีขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้น จึงต้องมีสองข้อนี้เป็นเบื้องตน้นการที่มาปฏิบัติรักษาศีลเป็นครือหัดก็ดี เป็นบรรพิต ค, คือผู้บวตรก็ดีจะเป็นศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยยี่สิบเ็ดก็ดีก็เป็นการมาปฏิบัติเบื้องตน้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายข้อที่หนึ่ง ซึ่งการปฏิบัติในศีลนี้ก็พึงปฏิบัติให้บริสุทธิ์ดีคือให้ถึงจิตใจให้จิตใจเป็นศีลดังกล่าวการที่มาเล่าเรียน ระดับกับฟังคำสั่งสอนในพระพุทธศาสานาก็ดีอ่านหนังสือพระพุทธศาสานาก็ดีก็เพื่อที่จะให้มีความรู้ความเห็นตรงคือถูกต้อง ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั่นเองและอีกอย่างหนึ่งก็กล่าวได้ว่าถูกต้องตามครองธรรมพระพุทธเพราะพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงสั่งสอนตามครองธรรม คือทรงสั่งสอนความจริงตามเหตุและผลหรือเหตุผลตามความเป็นจริงเห็นให้รู้จักบาป บ, บุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ ให้รู้จักให้รู้จักสักจจะคือความจริงที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงในอริยสัจทั้งสี่และอริยสัจทั้งสี่นี้ ก็ได้ตรัสไว้ว่าเป็นที่รวมของกุศลละธรรมทั้งสิ้นที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนเมื่อทำความรู้ความเห็นให้ถึงอริยสัจทั้งสี่ รือกล่าวอีกอย่างหนึ่งถึงอริยสัจทั้งสี่ด้วยปัญญาหรือด้วยญาณทัศนะความรู้ความเห็นก็เป็นอันว่าได้ทำความเห็นให้ตรง แต่ว่าความเห็นตรงอันเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายนี้ก็ไ ม, ม่ได้ม่งถึงอริยสัจทั้งสี่ที่พึงถึงด้วยปัญญาหรือด้วยความรู้ความเห็นอันเป็นระดับสูง แต่หมายถึงระดับที่เป็นสามัญรวมเข้าในเหตุผลที่เป็นสามัญ น, นั่นเองเห็นว่า ผลทางกรรมคือการงานที่กระทำทางกายทางวาจาทางใจที่เป็นอกุศลที่เป็นกุศลหรือว่าที่เป็น บาปที่เป็นบุญที่เป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์กรรมที่กระทำทั้งปวงที่เป็นส่วนดีคือที่เป็นกุศล เป็นคุณเป็นประโยชน์ก็ให้เกิดผลดีส่วนที่เป็นอกุศลที่เป็นส่วนชั่วเป็นโทษไม่เป็นประโยชน์ก็ให้ผลชั่ว และการปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาเพื่อบิมุิคือความหลุดพ้นในพุทธศาสนานั้นพึงปฏิบัติอย่างไรวิธีไหน